เมื่อยมากหรือว่าปานกางหรือว่าน้อยใคร เ, เอากันการยตปวดเมื่อยมากใครปวดเมื่อยมากไม่มีมีมีเพราะว่านั่งนานเหนื่ย ถ้าน really so ั่งเกินคึ่งชั่วโมงเนี่ก็เน็บกลิ่นเหมือนกันเดียวก็เปลี่ยนเอาบางทีก็อาจจะเป็นบางทีเป็นเรื่องของกายนะเช่นวิตามินบีสองมันน้อยไปมันก็เน็บตาเกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะแล้วก็ลอนานมันก็ตด้อยู่แต่มันก็เน็บกินเหมือนเดิมแหละก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอา หรือร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอายุมากแล้วก็ข้อเข่าอะไรต่งตางๆมันก็ไม่ดีนะก็นั่งได้ไม่นานเหมือนกับคนหนุ่มๆคนสาวๆนะหรือบางคนยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่ร่างกายนะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับคนอายุมากกว่าก็มีนะไม่เกี่ยวนะมีปวดมีเมื่อยบ้างนะเน็บชาบ้างอาการก งนน่วงนอนง่วนอนบางคนไม่ใช่ง่วงนอนนะนอนหลับอนอนหลับก็มีนะอาการกายมีปวดหัวมีปวดท้อง้หมมีม้หมม่มีเนาะก็ดึกทย้ยสบายมาก เฉยอหรือปรงคนบนสบายมีไหมมีไมมคุณสมพรเป็นไงเฉยเเฉยเฉยกระเดยนะมันก็อันนี้ทีอันนี้ก็ถามเป็นการทบทวนอยู่กรเด็นแล้ว่าเราเจออะไรบ้างเนระื่องของตายนะื่อทีก็แยกแบบ น, นี้ได้นะแยกความปวดความเมื่อยความเก็ด ความชาความง่วงความหิวอะไรต่างๆหรือบางทีก็ เ, เบาสบายนะบางทีบางช่วงอารมณ์เนี้ยเดินเหมือนเหมือนเดินอยู่บนฝุยเมฆเลยนะตัวเบาเดินสามสี่ชัว่วโมงไม่เหนื่อยเลยไม่หนียวไม่อยากนอนก็มีบางทีตื่นลืมแล้วก็ไม่ง่วงก็มีแต่นี่ก็คือให้เราเห็นว่าบางที บางทีมันก็เป็นแบบนี้บางทีก็เป็นแบบนี้บางทีอาการกายก็ดีบางทีอาการกายก็ไม่ดีในเรื่องของกายนะบางครั้งก็ง่วงนอนมากบางครั้งสหายง่วงเลยบางครั้งก็ง่วงมากง่วงน้อยก็ดูมันนะดอกสังเกตดูมันแต่บางทีบางอย่างดอกังเกตบางทีอากาศทางใจบางอย่างมันก็สัมพันธ์กัอการทางกายเนาะเช่นมีไหมใครบางที ทำแล้วก็เบื่อถ้าเบื่อนี่ยมันจะสัมพันธ์แต่อาการทางกายด้วยนะพอเบื่อแล้วก็มือไม้ก็อ่อน <c oughs> ไม่อยากเดินไม่อยากยกมือ น, นะ <c oughs> หรือบางคนก็ทำแล้วก็สงสัยนะก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> มีบางอาการทางใจเป็นแบบไหนบ้างม <c oughs> ง่วงนอนอาการกายนะแต่ถ้าใจมือซึมอันนี้ก็อาจจะมาพร้อมกับความง่วงนอนอะไรยังใจมันซึมซึมเหมือนเหมือนเราตาเบลอใจเบลออะไอยังงใจมันมันไม่รู้สึกตัวมันไม่ตื่นเต็มที่เหมือนเราตื่นนอนใหม่ๆเนาะตื่น้อนใหม่ๆร่างกายก็อาจจะเบลอๆด้วยจิตใจก็ง่วงงีย ด, ด้วยนะ บางีอาจจะมาคู่กันนะแต่บางทีนะอนตาไม่เบิดร่างกายรู้สึกไม่สื่นแต่จิตใจสื่นก็มีเพราะฉะนะั้นเคยรู้สึกไหมบางทีเราเราก็ทําตัวรับให้สืส่นสื่นเองล้วก็ทําตัวนั้นสื่นสื่นบางทีเช่นบางทีเราทําแบบบางทีเราทําแบ บ, บเคแบบแบบ็มๆเบา มันเหมือนประคองเหมือนกลัวกลัวมันจะแบบเช่นตามบางทีก็มองแบบผ้าๆนะนะนะเดินก็เดิ น, นช้าเดินไปบางทีมันไม่ใช่กระเติุงง่วงนอนหรือว่าไม่มีแรงเดินนะแต่เราเดิ น, นช้าๆสโลว์สโลวนะ์ใจมัน ก, ก็จะบืึมไปได้ง่ายนะต้องมาวังปรุงร้านเยอะไหม เยอะอใครมีฟุงสร้านบ้างไหมปัญโยไม่ฟุ้งร่านเลยหรออ๋อมาฟุงค่ะอ๋อโยมโยมชาไปหน่อยนะเมื่อกี้ถามนะยกชาอ๋อดีกานทำมันไม่สัาคันธ์กันการฟังอืมมันมีข้อบกพร่องอ่าไก็วิธีนี้บางทีก็ฟุ้งหน่อยนะโยมแต่ ฟุ้งแล้วก็กลับฟุ้งแล้วก็กลับนะเราเราไม่เน้นเราไม่เน้นว่าไม่ให้มันไม่คิดนะ่ะแต่ถ้าวิธีที่เน้นความสมงบเขาก็พยายามแบบกําหนดอารมณ์เดียวทักอย่างนะให้เราจะบริกรรมก็ดีหรือว่าจดจ่อ ก, กับบางอย่างก็ดีให้จิตตัวเป็นหนึ่งเดียวจิตก็จะไม่ฟุ้งมาก แต่ที่จริงแต่วิธีนี้เราไม่เน้นการบังคับให้มันไม่คิดแต่เราฝึกว่าคิดเถอลถอไปแล้วก็กลับมาเถลอไปแล้วก็กลับมาพอกลับมาได้บปป่อยๆบางครั้งมันก็ไม่คิดเลยก็มีนะก็ไม่ต้องไม่ใช่มาบอกว่าปฏิบัติแล้วต้องคิดมากตลอดนะไม่ใช่นะแต่บางครั้งมันคิดมากมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่เราก็ กลับมาบ่อยๆคือไม่ใช่ไปคิดยาวคิดเพลินคิดแล้วก็รู้ตัวก็กลับมาได้อันนี้ก็ถูกหรือบางขณะจิตมันก็ไปดท้ายมันมันก็เพลินกับการเคลื่อนไหวมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรบางวันเราก็ไม่ได้มีเรื่องไม่ส บ, บายใจอะไรก็มันก็เพลินกับการเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยฟุมทซ่านก็ถูกเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าผิดนะอืม แต่ที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความเป็นจริงอันนี้คือคือการที่เรายอมรับเขาเนี่ยเป็นตัวสติปัญญาอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรามันฟุ้งซ่านเราไม่ยอมรับก็คือเราก็ไม่ชอบมัาสงบเราก็ชอบอันนี้ก็เป็นการหลงในแบบหนึ่ง น, นะอืแต่ถ้าสงบ เ, ออเราก็รู้มันสงบมันพุ้งซ่านเราก็รู้มันฟุ้งซ่าน แค่นัะขพอเลยปรุงสร้างแล้วกลับมาได้เร็วไหมประเณแต่เองคิดมากไหมม่ถึงคิดยาวไหมเกียดนิยมยาวทำไมถึงยาวไม่รู้สขนาดขนาดยกมือตลอดเวลานทำอัตโนมัติ ที่มาแนะนําอกว่าพิงทําหยุดบ้างบังทีเราทําเพินเพินบางทีมันก็คิดเพลินบีหยุดบ้างทําไมเราถึงเดินจมกองกลับไปตำมานบางทีบางทีถาเราคิดเพลินน่าจะเดินเจริดในที่ที่เราตั้งใจจะกลับนะบางทีการหยุดก็เหมือนนเป็นการเบรกเบรคความคิดเอลิจะกลับตรงนี้นะมันก็หยุดสักหน่อยแล้วเดินกลับจคิดใหม่อีกล่ะ แต่พอถึงตรงนี้อาจจะเดกนะหรือบางคนใช้เทคนิคมา น, นี้บางทีอาจจะไม่ได้เดินจุดน้องดั่นเนี่ยแต่เขาาจะต้องเดินไปตลาดเดินในสวนนะอางทีเขาจะว่าเดินสมมต 50, 69, ิห้าสิบหกสิบเก้าแลวเขหยุดพักหนึ่งหนะยุดหายใจเข้าหายใจออกเขาพั้หนึงแล้ก็เดินต่อนันนก็คือเป็นการเบรคตัวเองเหมือนกันบางทีเราเราทำอะไรแบบที่มันชินชินเนาะมันก็จะคิดไปด้วยแต่ เมื่อท่านเรานั่งยกมือทานจะวางนะบางทการเคลื่อนแล้วก็หยุดมันช่วยตัดความคิดที่ละขนาดเพราะจริงบางทีไม่แต่หยุดนิดนึงเนี่ยความคิดก็จะแทรกเข้ามาแล้วพอคิดใหม่่มันก็เคลื่อนใหม่รืมใหม่บางทีก็ตัดขนาดบางทีมันก็รู้ตัวตอนเคลื่อนบางทีเราก็รู้ตัวชัดตอนหยุดนะมันก็เลือกไม่ได้แต่อย่างนั้นเคลื่อนรู้บ้างหรือว่าทีลืมรู้ มันรู้ตอนหยุดก็มีแต่ถ้าเราทําแบบตอนเนิ่นลงอินก็คิดยาวแต่ต้องแต่สิ่งที่ต้องระวงังนนึงคือว่าบางคนหยุดมากเปลจ้องมากเกินไปอก็อาจจะเครียดนะทาให้มันผ่อนคลายมีการเพื่นการหยุดจะให้ผ่อนคลายในตัวเป็นเัื่องง่นะ มันก็อาจจะคิดบ้างแต่ก็แั่ดเดี่ยวเชื่อขนาดนึงเชื่อขนาดนึงพอเราดูตัวใหม่มันก็มันก็วาง ห, หลยแคนก็สังเกต ด, ดูตัวเอง น, นะบางทีก็แล้วแต่ขนาดเนาะบางทีเรายกมือแร้แรกลเนี่ยก็คิดไม่มากแต่พอ ทำนานๆก็เริ่มกลายเป็นความเคยชินใช่ไหมบางทีหลวงพ่อต้องบอกให้ตั้งท่าใหม่โย่พรทัที่ทำไปแล้วมันเบริรมเบริเบร์มันพุ้งมากตั้งท่าใหม่ตั้งท่าใหม่นี้จัดท่าจัดทางอ่ะ อ, ะเ อ, อะ่เริ่มใหม่อเริ่มวางมือใหม่ตั้งใจใหม่ยกมื อ, อใหม่แบบนี้เลยนะมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบอยู่ท่าเดิมนั่งให้มันนานๆ หรือเดินานานๆถ้าทํานานๆแล้วมันฟุ้งซ่านมันมันไม่ค่อยรู้ตัวนะยก็เปลี่ยนใหม่เลยอ่ายุดยืนใหม่อ่ยืน ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดีๆอะ ม, มันเมื่อกี้มันเดินแล้วไม่รู้ตัวๆนะลองรู้ตัวนี้ก่อนอือรู้ตัวแล้วเนาะถึงที่หายใจรู้สึกสามสี่รอบอ่ะคราวนี้มาเดิน ถึงบทีอย่างที่อ า, าจารย์ต้องมาจะสอนนะบงทีอัดพอนเดินมันเดินน้ำพุ้งมากเดินอยู่กับพี่ก่อนเดินอยู่กับที่หรืเอเ ด, เดินกลับไปกลับมานิดหนึง่งให้มันเรียบติกลับมาก่อนคล้ายๆรวมเครื่องให้มันอ่มันอุนเครื่องก่อนเนาะมืนนักกีฬาก่อนเขาจะแข่งเขาต้องวบวมก่อนเนาะแล้วก็พอมาพอมาเดินประมาณยกนึงก็จะคมสุกตัวจะต่อเนื่องไป แต่ถ้ามันเริ่มค่ามันเริ่มพุ้ง ม, มากจริงๆนะ่ะเบรกนิดนึงก่อนนะเบอกกลับมาแบบนี้ก่อนหรือนอกจากบางครั้งก็คือเราไม่อยากเดรกแต่เราอาจจะเพิ่มก็ได้อยู่แต่ก็เอาไว้แทรกเป็นบางขนาดเฉยๆอยางเช่นบาง ท, ทีจะมาจะใช้แบบบางทีเดินไปด้วยบางทีก็ก็แบบบางทีก็คึ้งนิ้วไปด้วยดีดนิ้วไปเรื่แบบแทรกเข้าไปบางทีเดินไปแล้วมันก็ความคิดก็ แอบแว๊บเามาเ<ส> <ng> นี่ก็บางทีเราก็รู้สึกกับการเดินบ้างบางทีเราก็รู้สึกกับแรงนิ้วมันมันดีบ้าง น, นะเอาเป็นตัวเสริมแต่พอมันเริ่มก็เริ่มไม่ค่อยฟุงมากไม่ค่อยอะไรมากแล้วก็ก็วางไม่ต้องไม่ต้องมาทํานิ้วอะไรเพิ่มก็แค่รู้สึกกับการเดินนั่นเดี๋ยวก็พอเอาไว้เป็นตัวแทรกเป็นตัวเสริมไปเลยนี่ก็เป็นอุปายนะบางทีเราก็ แล้วก็หาอุปายพวกนี้มามาช่วยเสริมเปลี่ยนท่าทางหรือว่ามันเริ่มต้นใหม่บ้างนะถึงทีนะก็ถ้ามันพุ่งมากจริงจริงก็อ่าก็ใจใจก็ตั้งใจทำนะตั้งใจทำจรังจริงหรือถ้ามันง่วงมากก็ไม่ไหวจริงจริงก็ไปทําหน้าร้างตาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าทําแล้ว บางทีเราอยู่ในท่าเดินนานๆทําหลายๆชั่วโมงมเครียดบางทีก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเปลี่ยนไปกวาดบ้านเปลี่ยนไปนล้างจานปูทีเปลี่ยนไปเดินในสวนสาธารณะอะไรนะก็เปลี่ยนอารมบ้างบางทีถ้านาทํางานนั่นเครียดแต่ถ้ามันไม่เครียด ม, มากก็ลองอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นแหละจะมาพ่อจะเห็นอะไรคนกนี้มันจะเห็นมาเลยว่า ไม่แน่เมื่อกี้มันมันฟุ้งมากๆเนาะครั้งท่ามันก็ฟุง้งน้อยลงหรือบางทียังฟุ้งมากเหมือนเดิมแล่แต่เมื่อกี้เราอ่ะเรารู้สึกทุกข์มากบางทีตัวคุ้งเไม่ใช่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะแต่พอมันฟุ้งแล้วเราไม่ชอบมันเราเลยรู้สึกทุกข์มากอแต่จริงแต่พอเอาไปจริงพอทาําไปเรื่อยมันก็ยังคุ้งเหมือนเดิมนะ ที่เสร็จทำไมความทุกข์มันน้อยลงเพราะเราดูแบกมันน้อยลงเราไปให้ท่ามันน้อยลงมันก็เบาขึ้นเองใช่ไหมเป็นบางทีบางทีเราก็เหมือนปวดท้องอ่ะปวดท้องแต่ถ้าเรายิ่งคิดว่าเราปวดท้องเราไม่ชอบมันมันก็ยิ่งทุกข์เนาะแต่ถ้าถ้าปวดก็ปวดไปก็รู้อยู่นะว่าปวดแต่ต้องไม่ได้ไปให้ท่ามันมากมันก็ทุกข์น้อยลงของมันเองเนี่ยต้องสังเกตเวลา มันเกิดขึ้นจริงกับร่างกายนะแต่ร่างกายมีปัญหาเนี่ยถ้าใจระวังไม่ผิดเนี่ยมันมันเพิ่มความทุกข์ของใจเพต้มทุกข์ของกายก็้าไปได้แต่ถ้าใจระวังไม่ถูกอ่ะอย่างเราเห็นตัวอย่างของข้อนะเราเจาะคอปวดร้อนในตัวเนี่ยแต่กรรมฐานอีกใจที่มันไม่ทุกข์กับร่างกายนะมันก็ช่วยลดนะช่วยลดอาการของกายดนะ้วย อย่างหมอถามน้าหลงพ่อต้องเอายาแค่ปวดไหมหมอก็เตรียมพวกมอฟีนก็อนะไรน่ะไว้เผื่อถ้าท่านไม่สบายมากๆหลองพ่อบอกว่าเรื่องปวดไม่เป็นปัญหาสำหรับหลงพอ่อแล้วต่อกบับนี้งนะหมอก็ไม่กล้าให้คื <c oughs> อ, อแต่หมอประเมินว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ดูสภาพรวมๆที่เคยเห็นเคสเอื่นๆนะขนาดนี้อยู่ยาก อยู่ยากต้องอาศัยยาต้องกดคทนต้องอะไรต่างๆแต่หมอก็ประเมินของพ่อยากทำไมของพ่อภายนอกดูดูไม่ไม่ค่อนทุกไม่ทุกอะนะแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายต้องพุกแน่ก็ได้ถามท่านแต่ท่านก็บอกว่าปวดนะปวดอยู่แต่ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ไม่ปวดนะแต่พอใจไม่เป็นปัญหาร่างกายมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องแก้ไขอะไรมาก แต่นอกจากเป็นไข้เป็นอะไรมันก็ต้องมันเทาเสริมไปแต่งทีความปวดเนี่ยก็ก็ใช้กรรมฐานเนี่ยช่วยได้นะอแต่ถ้าใรกรรมานยังไม่แข็งมากก็ช่วยพยายามช่วยสักหน่อยก็ได้บางทีอะไรบางทีพอกายมันุกมากใจมันก็มันมันก็ไม่ไหวเนาะใจมันก็ไม่ไหวบางทีตายเป็นความหมความทุกข์ใจ ด้วยร่างกายกระตุะต้นด้วยก็ไม่ไหวแล้วก็ช่วยนิดนึงแต่ช่วยในปริมาณที่มันมันไม่ไม่ใช่ว่าค้อใจไม่ไหวก็พึ่งแต่ยาเตินไปเนี่ยนี่ตำรันอาหารก็จะช่วยตรงนี้ได้วิทย์จะถามอะไรก็เตืนเนาะอาจารย์ถา ม, มาาไม่เอาม คือสังเกตในวิดีโอนะคะของหลวงพคเขียตอนที่ท่านป่วยจะมีบางรูปที่ท่านใช้เท้ากระดิกเท้าแล้วก็มีคอนีนไม่ทราบว่าช่วท่านป่วยที่ท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างคือที่ริงเลื่อนกระดิษเท้าเลยเนี่ยปอนที่ท่านไม่ป่วยท่านก็ทเป็นเป็นประจาเนี่ยอย่างบางทีนั่งรถกลงอก็จะเห็นหลเราก็นั่งแถวที่สองนั่งแถวหน้าสะพน เห็นบา ง, งทีขัดท่าหรือว่าคลองเรื่องเรื่องคือเป็นเหมือนหลวงพอทำจะเป็นนิ่ใสเนี่ยมียที่หรวงพ่ทิ้งบอกว่าจะไม่อยู่เฉยๆว่า อ, อยู่เฉยๆก็ทาเป็นเพื่อนอยู่แต่แต่มันก็ต่างจากคนที่กำลังฝึกนะคนฝึกก็คือเหมือนฝึกสติแต่หลวงพ่อเหมืนอมนคล้ายๆทําจนเป็นปกติ มันก็เป็นเครื่องอยู่ยแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อจะสร้างสตินะถ้าคนปฏิบัติทำคือทําเพื่อสร้างสติที่กลับมาแต่หลวงพ่อสติท่านท่านแบบเป็นปกติอยู่แล้วแต่ท่านก็ทําจนเป็นทิสัยดีจริงแต่ก็เชื่อว่าถ้าตอนที่ทุกขเวทนาทางกายมากๆเช่นตอนไม่สบายนะมันก็เหมือนพอเรากลับมาอยู่กับการกระตุกกนระดิกเนี่ยมันก็ชึวยบรรเทา ทุกภูมทนาทางกายเปนได้หลวงพ่ก็ทาแบบนี้ก็เราก็จะเห็นภา้ก็นอนกระดิกเท้าเล่นๆเหมือนเนี้ยนะก็บางทีหลวงก็เคาะงทีก็เคาะเคาะต๊เป็นประจำบางทีเราก็สังเกตว่าหงพ่อดับหรือไม่ดับก็ดูเป็นเงี้ยแหะถ้าหลวง่อคือบางทีเราก็เห็นวพ่อนอนเฉยๆนะแต่ก็ต้องดูที่มือหรือดูที่เท้าน่ะถ้าถ้ายังมีบางส่วนกระตุกกระดิกอยู่แรงมากตื่นอ แต่ถ้าไม่เคยดูปฏิกสธว่าหลวงพ่อดับตอนนั้นแล้วก็แอบดูบางทีท่านก็นอนนิ่งๆ น, นะเราก็ไม่รู้ต้องดูตรงนี้ในลายมือที่ท่านเขียนไว้นี่ดูเหมือนมีข้อความที่แบบมีสาระสำคัญเยอะมากนีจะมีการรวบ ร, รวมทำออกมาเป็นหนังสืออะไร ห, หรอือเปลาที่นวยดีโอีกเขียนเป็นลายมือช่วงที่ปวดก็รวบรวมไม ทุกอันเยอะแล้วทําไม่หายล้วก็ตอนนี้ก็ทําพิพิธภัณฑ์ของขัง้นเยอะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นคล้ายๆเก็บรวบรวมอยู่ยังไม่ได้จัดเป็นเป็นยังไม่ได้จัดสแสดงหรือว่าจะพัฒนาต่อเป็นหนังสือเป็นอะไรยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็มีพระอาจารย์พิศ า, าร์ท่านตั้งใจว่าปีหน้าจะครบรอบ80ปีของพ่อท่านก็จะทําหนังสือ หลวงพอส่วนหนึ่งอามาจิตว่าลายมือที่ท่านเขียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปอยู่ในส่วนนู้หรือว่าก็มีแผนว่าจะทําพิพิธภัณฑ์ในช่วงวาระสุดท้ายของหลวงพที่วัดตาสุขโตก็คงเอาข้อเขียนที่หลวงพเขียนทํามะเนี่ยไปอยู่ในในตรงนั้นเพราะว่าเหมือนหลวงพอก็บางทีท่านก็เขียนต่อ กับคนมาหาก็เขียนต่อบกลไปก็เป็นธรรมมากตรนั้นหรือบางทีท่านว่างๆก็ท่านก็เขียนเองที่จริงท่านก็ไม่คิดจะเขียนมากหรอกพอดีอ่าก็มีคนขอนะอย่างเช่นมางทีประจํามเปสารก็มากราบเรียนหลวงพ่อว่าคล้ายๆว่าท่านหลวงพ่อไม่ไม่ลําบากตึงไปเชื่อในหลวงพ่อว่างๆก็ไป้ายขอนุโมทนหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อท ให้เป็นสติธรรมให้กับอพวกเราบ้างนะหล mm hmm. วงพ่อเพอตอนไหนบางๆงดูตอนไหนที่ท่านไม่ไม่นําบากมากท่านก็ลุกขึ้นมาเขียนพอเหนื่อยก็นอนพอมีแรงก็มากลับมาเขียนใหม่ก็พวกเราก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้ น, อนของหลวงพ่อในการมันก็เป็นเป็นธรรมะที่เผยแพร่ต่อไปได้นะเพราอตอนช่วงที่หลวงพ่อพูดไม่ได้มนาะว่าพอเขียนหลวงพ่อก็เขียนค่อนข้างคม แต่พ่อก็มีนิสัยอย่างคืออดีจม่นินนสัยหละแต่ท่านหลวงพ่อท่านคงท่านก็ทำมาหลายปีนะน่าจะเป็นสิบปีได้เกษตรก่อนมีลูกติดจะถวายลูกไดอารี่ในรี่ให้กับหลวงพ่อผมมาก็ได้อ่านในรี่หลวงพ่อบ้างเครื่องท่านก็บันทึกแทบทุกวันนะแต่แต่ไดรี่ท่านบันทึกต่างจากเราพ ว, พวกเราส่วนใหญ่นะอุตุชนเนี่ยเป็นบันทึกแบบไหน วันนี้รู้สึกเที่งยงไปนะเนี่ยเหมือนระบายระบายความรู้สึกของตัวเองหรือระบายเหตุการณ์ต่างๆชอบไม่ชอบอย่างไรนะมันเหมือนระบายแต่บันทึกของพอก็งานบ้างแล้วก็ท่านปวรจะย่อธรรมะที่ท่านเทศตอนเช้าหรือตอน เ, นอนเย็นเหมือนถ้าเราอาร่านบันทึกขพ่อเหมือนพ่อย่อคํ า, รรรทาเทศของท่านตอนเช้ า, ท า, าทเทศกับคนนี้เออเทศ ท, ที่วัด มีเนื้อหาอย่างไรบ้างของพ่อไอเดีทมันนะหรือวันนี้มีคนมาถา ม, ม, มะคำถามว่าอย่างนี้ตอบว่าอย่างนี้ไม่มีไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นว่าเออวันนี้รู้สึกเศร้ารู้สึกอืมไม่พอใจใครไม่มีในในไดรี่นะแล้ก็ได้เห็นก็ก็เคยมีเราก็เคยมาบ้างเอาอ่าบันทึกทำของพ่อเขาพัฒน์ตอนที่ ที่เด่นๆมามาเผยแพรเป็นเนื้อธรรมะจากสมุนทึ่ซื้อจนท้ายนะคะวิดีโอวันนี้มีมากเลยนะคะไม่สร้างว่าจะมีมมทำเพิ่มเติมเผยแพค่ะจริงวิดโีโอชุด น, นี้ก็เขามีเผยแพร่เยอะแต่เป็นสอง ม, มีเีเผยแพร่ในยู u ูบนะ สองเวอร์ชันนะเวอร์ชัน60นาทีเวอร์ชั น, น, ชน50นาทีแต่ถ้าทำเป็นแพ็คก็เวอร์ชัน80นาทีก็มีก็จะยาวกว่าแต่นี้มาขอให้เขาช่วยตัต่อเป็นเฉพาะเน้นเ น, นา้อธรรมะ35นาทีอันนี้รู้สึกยังไม่มีเผยแพร่ที่ไหนเ อ, ห <laughs> เอาไ้เอาไป่อนเวลาอบรม แต่ถ้าใครมีเข้าไปดูใน ย, ยู่ทูปก็ได้เรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรนะก็หือก็จะมีตอนอื่นที่ที่เป็นเรื่องของพ่อทำงานพัฒนาชุมชนสวัสดิ์ทูขอทองขึ้นคือเราก็เห็นว่าถึงอแม้แต่ท่านทํางานอนรันกษ์มันก็เป็นธรรมะนะทีจริงนะก็ไม่ใช่ไม่เป็นธรรมะแต่อย่างเช่นหลวงพ่อบอกว่าท่านดูแล ป่าไม้ดูแลอ่าตัดป่าหรือว่าสอนคนให้แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับอวบัอยวงท่านก็บอกบางทีท่านทํางานพวกเราได้ร่วมรวมแนละ้วก็เป็นงานชุมชนแต่บางทีชุมชนก็มีอนาเหตุ้าใจซึ่งป่าไม้ก็ลดน้อยลงไปสัดป่าก็ไม่เหลือแล้วคนก็ยังกินเหล้าดูบุดี่ยังเล่นการพนันอ ย, อยู่ถ้าเราแบบถ้าเราประเมินเนาะเหมือน ถาเราทางานก็รู้สึกมันงานไม่สําเร็จเหมือนคนเป็นทำงาน NGO ทํางานก้าวประชาชนอะ่ะยิ่งทําไม่เห็นปัญหามันดีขึ้นเลยยิ่งมีปัญหามากขึ้นแต่หลวงพ่อเู้ ด, ดีทนะ่านหลวงบอกว่างานล้มเหลวแต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลวเพราะงานล้มเหลวมันมีหลายเหตุปัจจัยมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแต่ท่านถ้าท า, าเต็มที่อะ่ะแต่พวกเราหลายคนบางทีทํางานที่ ช่วยเหลือคนอื่นช่อเยเหลืทสังคมอะไรต่างๆเราไม่เห็นผลไปในปีนึงไปในสิบปีเราก็รู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากทํามันไม่เห็นผลใช่ไหมแต่หลวพ่อท่านก็ทำเพื่อท่านท่านเหตุชีวิตนะท่านก็อืมที่ทจริงหลวงพ่อวันไหนไมีแดดท่านก็ไปรดน้ำต้นไม้อยู่บา <c oughs> งทีท่านก็ไปเดินมีวันนึงอ่างการที่ไม่สบายมากๆพ อ, อสบายดีนะขอ พอนั่งแล้วก็ไปดูต้นไม้ดินป่านนะไปดูไปดูต้นผักหวานต้นผักหวานมีถาวรมาเกาะต้นผักหวานพ่อดึงเถาวรออกจากต้นผักหวานคือพวกเานะ่าเ น, นี่เกิดภาวะคนร่างกายไม่แข็งแรงัวติดเชื้อนะญาติยโยมก็ไม่อยากให้หลวงพ่อไปไปจับพวกผักพวกอะไรมันจะสกปรกนะ <c oughs> แต่หลวงพ่อก็ทําหน้าเดียนท่านดึงดึงถาวัรออกจาก ไม้เลยออกจากต้นผับหวานเนะท่านก็ทําองท่นนะวันไหนมีแรงก็เปิดครอบน้ําไปรต้นอต้นไม้เนะี่ยหรือมื่อวันมีแรงก็เอาข้าวไปให้กระลอกนะวันไหนไม่มีแรงก็ใช้ใช้คอมพูดเตอร์ใชข้อเขียนเ่ะเอาข้าวมาให้กระลอกก็ยังมนะันก็จะคิดถึงนะคิดถึงศากตร์คิดถึงต้นไม้คิดถึงคน ในพอข้อความสุดท้ายเนี่ยมั้งมองว่าท่านท่านคิดถึงลูกศิษย์หลายหคนเพราะว่าคือมาว่าก็เหมือนก่อนที่ท่านจะเสียววันนั้นก็ไม่ได้มีมีเหตุแบบชัดเจนว่าท่านจะไปไปในตืนวันนั้นเลย น, นะแต่พอท่านเขียนแบบเนี้พอนะเขียนบอกว่าพวกเราพวกเราอาจจะหมายถึงตอนนั้นก็มีอยู่ห้าหกคนที่อยู่ตรงตรงห้อง ที่หลวเสียก็มืนพวกเราขอให้หลวงพ่อตายไม่ใช่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจเหตุการณ์มันนพวกเรากอให้หลวงพ่อตายเหมือนว่ากันหรือเปล่านะให้บางคนอ่านแล้วก็มาว่าเหมือนมืนไม่ได้เหมือนหลวงพ่อเขียนว่าพวกเราพวกเราขอให้หลวงพ่อตายะแต่จริงมันเหมือนพวกเราตัวประโยคเรียก่อนนะพวกเราน ขอให้หลงพ้อตายก็เมนเป็นประโยชน์ที่ตามมาว่าเหมือนก็คุณพ่อเขาเห็นพวกเราแบบือแหลท่านหลายๆอย่างวันนั้นก็ร่วมชั่วโมงได้นะที่แบบ่าฉีดยาอ่าเข้าผิวหนังเพื่อลดอาการอวมบ้างออกซิเจนพ่นยาะยายหลอดลมในไรต่างก็ทำเป็นที่นเะท่าที่สติปัญญาเราเราได้ครับ หลวงพ่อก็เห็นว่าเราช่วยท่านเด็กชั่วโมงก็หังพ่อท่านก็คงรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วท่านก็เลยบอกพวกเราพอที่มันโคตรายจะอย่าไปทําอะไรมากกวนั้นเนาะจริงจีิมาแล้วก็มันก็แล้วก็พอแค่นั้นจริงจริงแหละเราพอเห็นชีพไป็นตอนก็ไม่เท่นแต่ก็พอก็ไม่ทําอะไรมากกันนั้นแต่เมื่อวานนี้ฟังข่าวหลวงพ่อปูนแล้วก็เศร้าอย่านั้ คือไม่ใช่ว่าเศ้านั้นแต่คือสงสายท่านนะบางทีเราเห็นข่าวว่าท่านก็หยุดหายใจไปตั้งนานก็อยางต้องมาปล้ำหายใจท่านขึ้นอ่ะเหมือนทำไงก็ได้ให้ท่านมีชีวิตนานที่สุดแต่จริงก็ทำให้ร่างกายท่านทรมานมากก็เหมือนมันก็เป็นเหมือนวิธีคิดของคนธรรดางนก็เหมือนยื้อให้มากที่สุดทาไงก็ได้ให้ท่านมีความ มันถึงว่าชีพจรยังอยู่หัวใจยังเต้นแต่ไม่ได้กํางนึงถึงว่าสภาพท่านจะเป็นผ่าหรือเปล่าซึ่งมันจะต่างจากแต่นี้ก็แนวคิดอย่างที่พระจากย์อา่ารท่านจะนานั้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายแต่ประคับปรคองคที่ไม่ได้เน้นการแย่งชีวิตแต่เน้นว่าทำไงถึงจะตายดีไม่พอรมานมากตรงนะี้ขึ้นมาว่าก็ ตัอย่างผมพ่อเองก็ดีเพราะว่าตัวหลวงพ่อเองก็เตรียมพร้อมในการตายดีแล้วก็ถึงแม้ร้องต่างๆก็ก็ไม่ไม่พยักจะยืดคิดที่ท่านก็ก็ทําให้ท่านก็ไปแบบไปแบบสงบดีแต่บางทีครู้บาอาจารย์เราก็เข้าใจแหละอย่างหลวงปู่หลวงพ่ครูท่านก็มีรู้สึอมาเยอะก็อาจมีอะไรอย่างที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจเลยนมันก็ทําให้เกิดในการณ์นะึ่ง นั่นก็ทรามานร่างกายท่านอย่างนั้นแกโยงเป็นไนก็เตลียนตัวบอกตัวหลานนี่นะบางกีแม่จริงจริงนะบางทีอันนี้ใช้ว่าลองเล่นสมมติตัวเนียนะสมมติสมมติท่านแม่อหมดสติไปเจ็บั้าหัวใจแม่นั่นที่ต้องสมมติบอกบางทีพอถึงกันนั้นเราบอกไม่ได้บางทีต้องสมมติบอกให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรบ้างใช่ไหบางที บางทีเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเป็นเลือดในสมองแตกนะพอแตกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวบางทีลูกตื่นกันหลับก็คิดเลยไม่ออกหมอเป็นที่เอะนั่นใช่ไหมอืมแต่บางทีแล้วถ้าเราบอกไปก่อนหรือทั้งแม่เป็นพันนี้แม่ไม่ขอใส่ท่อนะไม่ขอเจาะ่อนะไม่ขอปราเมินใจนะบางทีก็ต้องสมมติแก้บอกเขาหนอยนะหรือบางทีเราเป็นลูกเป็นนางทีแล้วก็ มีพ่อแม่ที่แกเรียนว่าพี่วลองเล่นสมมุติกับแม่วนะ่านะกัพอว่าอสมอมุติถ้าสมมุติถ้าแม่เป็นแบบเนี้ยแม่จะให้ทําอะไรบ้างหรือให้ทําอะไรบ้างใช่ไหมเปียนกันละอืมสมมุติถ้าเธองารเผาการเผาแม่หนึ่อยากให้จัดแบบไหนสมมุติบ้างสักดีเพราะบางทีนเป็นปแบบัญหาเดียวบางทีลูกหลายคนก็คิดต่างกันนะอืม หนึ่งทียากที่น้องต่างๆมันเกี่ยวข้องนะยิ่งเราค่อยเก่งมากอย่างน้าของพ่อพอทำเป็นลายแล้วพอสอนนะก็คือก็มีคนคิดต่างมาเสนอหลายอย่างแต่เราพอเรายึดสิงที่หลวงพ่อท่านท่านเต้นไว้ทําตามนั้นนะงานก็ง่ายงานก็ง่ายแต่ถ้าบางคนมีญาติเจรีมีอะไอย่างเงี้ยมันก็จะลุ่มลอยมันก็จะช่วยอะไรเนี่ยแต ทีใครถามเงเนื่องกันปฏิบัติไหม เพื่อนก็ถามเรื่องการหลับตาว่ามันมันจะเป็นหรือไม่จะเป็นทำไมถึงห้ามแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าห้ามแต่ก็อย่างเรื่องการหลับตาเราตั้งใจจะเปิสมองใกล้ที ไม่ว่าไม่ใช่ว่าสําคัญที่สุดแต่ก็ก็เป็นเทคนิคเทคนิคจิตเราไปสนใจอย่างไรคะนอนเราเรินกลับมาเป็นอย่างนี้หรือดักหรือว่านก่าคือคือถ้าดักจริงๆก็คือว่าบางทีหลับตาแล้วมันจะค่อนข้า ง, างจะมันเพ่งเข้าในมากกปน่าคือเหมือนเราพอเราดับตามันทีจิตมันจะมาจ้องจ้องดูร่างกายมากเกินไป แต่ก็ไม่แต่ถ้าใจแบบแล้วมันไม่จ้องมากก็ไม่ได้ผิดนะมันไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ต้องเก็บเมื่อเราลับตายแล้วลับยกม่อได้บางทีมันกเหมือนเหมือนเราตั้งใจจะปิดโลกแล้วก็แค่แค่แ ค, แคอยากจะอยู่กับตัวเองอย่างเดียวซึ่งบางทีมันมันกะหว่างกัน การรู้สึกตัวกับการเพ่งบนะ่งทีมันก็มีความค่าดกันหนังหลวงพ่เทียนท่านในไทยทีคือรู้ข้างนอกรู้ข้างในดูทั้งข้างนอกดูท้ข้างในคือตอนนั้นหลวงพ่อเียนนมาสอนหลวงพ่อคเสียดตที่หลวงพ่อเพียนอย่ใหนนะม่นะจรงหลอจ้องนั่งอยู่ในห้องแล้วก็นั่งยกมือปิดประตูนะนะอยู่ในห้องเนะ หลวงพ่อเทียนท่านเดินมาหาท่านก็ถามตอนนั้นหลวงพ่อข้องเขียนยังเป็นเป็นบวทใหม่ๆท่านจ้างทำเขียนทำอะไรอ่มันหลงพ่อเขียนบอกนั่งนั่งยกมือท่านจังหวะอยู่ครับหลวงพ่อเทียนท่านก็ถามเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับทําทไงที่ไม่เห็นก็หลพอก็เลยออกจากตรง น, นั้นมาอยู่ตรงหน้าประตูพอเปิดประตูหลวงพ่อเทียนก็ถาม เห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับให้ทำอย okay. ่างนี้นะบอกวาเตี้ยก็เลยนะให้อย่างนี้นะแล้วเดินไปเห็นไหแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นหน้นอยู่ระหว่างรัตูุแต่ให้เรารู้สึกทั้งข้างนอกข้งข้างในอย่างเช่นตาเราเห็นรูปเห็นรูปนะรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจในสิ่ที่เห็น คือการกลับรู้สึกตัวไม่ใช่ว่านเห็ยงนั้นมันจะต้องเฉยบางครั้งก็เฉยแต่บางครั้งเราก็ไม่เฉยสังเกตเมื่อวที่เราไปเดินในห้างเดินผ่านบางแผนกอย่างเช่นผู้หญิงบางคนไม่ชอบกีฬาเดินผ่านแผนกกีฬาก็ไม่สนใจเลยนะแต่ถ้าได้ยินแค่ได้ยินเสียง่าลดราคาเนี่ยใจไปรราาเรื่อลั้นไหมแต่สิงที่ผ่านเนี่ไม่ได้ถึงใจนะเสใจไปตอนลดราคาละเนี่ยมันคือมันตาก็ดีหูก็ดีนะ บางทีเราก็ฝึกการให้เรารู้ทันเนี่ยเมื่อได้เข็นเมื่อได้ยินมันเกิดอะไรในใจเรารู้ทันบางทีสติมันไม่ทำนะคะมันมีร้าแล้วก็เรียนแบไม่ได้กายเป็นแบบสนใจมัวเลยนะคะแต่ถ้าแต่นี่นี่ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวอาจจะไม่ถูกกับบาง อุบายจะบางคนอาจจะแนะนํากันก็ันามาว่าถ้าบางขณะถ้ามันฟุ้งมากจริงๆรงิเราจะหลับตาช่วยก็ได้ไแต่ก็พอพอสักพักหนึ่งก็กลับมาดินตามใหม่ห น, นักก็ได้หรือบางทีบางทีจิตเราฟุ้งซ่ามากบางทีทั้งวันเลยนะมันฟุ้งซ่าไม่มีกําลังจะให้มามาเจริญสติแล้วก็มะเจริบความพุกงซ่าอีกบางทีก็ไม่ไหวบางทีบางทีมาก็ต้องทำสมาธิเข้ามา อนั่งสมาธิแบบอเน้นความสุกไปก่อนแต่มันก็จะสมงบสักกพักหนึ่งแล้วก็พอจินมีกําลังก็มันก็ไม่ได้สงบแบบแค่มันก็มันก็ดูตรงหายใจรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งมันเหนื่อยมันก็ต้องมาใส่สมาธิเข้ามาเสริมถึงทีเราจะว่าเราต้องเติมสติตลอดบางทีจิตมันมันเหนื่อยบางทีแล้วก็หายใจสวนวน นให้มันจิตมันมีสมาธิอกการสวดนมนต์สวดขอมีสมาธิการสวดมนต์อ่ะมีจังหวะมาเดินจงกรมนะฮะมาปฏิบัติปฏิบัติดีเหมือนเราเลือกเลือก เ, เครื่องมือที่มันเหมาะกับกับแต่ละจังหวะเหมือนเราขึ้นเขาบางทีก็ต้องใช้เกียร์ตันค่ อ, คอยๆขึ้นไปนี่มาว่าเป็นอุ บ, บายเพราะจริงก็มาว่าพราะพุทธเจ้าเองท่านก็ มันก็ไม่ได้ก็ปฏิเสธนะไม่แม้ปฏิเสธสมถะหรือว่าการทำสมาธิแต่ถ้าสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญานั้นก็ไม่ไม่มันก็ไม่ดีแต่ทำวิปัสสนาเพิ่งรู้ว่าบางคนก็ทําไม่ได้บางหนักก็ต้องเปลี่ยนบ้างหรือบางปัญหาสมถะก็ทําไม่ได้วิปัสสนาก็ทําไม่ได้บางทีก็เห็นั้นก็ต้องรักษาตีนี้มันได้ไม่บางทีเราโกรธมากเป็นติไม่ได้นะ จิตก็ไม่เป็นสมาธิแต่ยังน้อยจะไปทำร้ายคนอื่นมันมันจะผิดศิดก็ปรพอบงานไปก็ต้องรักษาตัวนั้นเป็นก่อนขออนุญาตถามค่ะอาจารย์ค่ะโยมมีปัญหาก็คือว่าโยมปฏิบัติธรรมมามาแล้ว คิดว่าตัวเองอะเริ่มเริ่มจากการปฏิบัติธรรมที่แบบจะเอาอค่ะจะเอาให้พ้นทุกจะเอาให้มีความสุขก็ขปฏิบัติธรรมอย่างนั้นมาตลอ ด, แ ล, ด, ด, ด, ดอแล้ว ม, ม, มันก็รู้สึกว่ามันก็ได้ได้ได้ความสุขในระดับหนึ่งอย่างนี้ยค่ะแล้วพอปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็วนไปวนมาเลยว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดี เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเมืนแบกลัวการปฏิบัตินะคะกลัวการปฏิบัติในรูปแบบว่าพอเราปฏิบัติในรูปแบบปับเนี่ยมันก็จะตัดไปอยู่ในร่อมเดิมเจออีที่ว่าเราก็จะเอาดีอย่าง่ะแล้วก็มันก็ดีด้วยค่ะคุณที่นี่เอาดีแล้วมันไม่ดีนะคะเอาดีแล้วมันก็ดีด้วยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็เข้าหน้เองอะะมันก็ดีก็ติดดีเท่านั้นเองมันแบบที่มันไม่เกิดตันยางค่ะมันต้องมันต้องเห็นว่าไงเห็นว่าการติดดีมันมันฟุบปากต้องเดินถ้าเราเห็นว่ามันจะเป็นฟองฟุบมันจะค่อยๆฟาวพนดีก็ต้องดูว่าแม้แต่ตัวส่งองมันมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็เปลี่ยนไป เห็นว่ามันไเทียงเราเรยังจะยึดติดในใสุขนั้นหรือเปล่ามันต้องค่อยๆไอ้ัวเนี้ยการเห็นไปรักของไม่ว่าจะเป็นสภาวะทุกของของอารมณ์ที่มันแสดงอนั้นหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันแสดงให้เห็นหรือว่าเห็นแล้วมันมันก็บังคับไม่ได้เน่ะถ้าเราเห็นตัวเนี้ยมันจะมันจะคลายอ่ความยึดติดของเราได้เองมันจะ ตนนี้คือ ต, ตัวเกิดปัญญาที่เห็นเป็นไปรักคือ ต, ตัวที่จะเกิดเปัญญา ค, คือตอนนี้โยมก็รู้สึกว่าโยมโยมเริ่มหล่อละก็เริ่มองเห็นว่าอ๋อมันก็มันก็ไม่เที่ยอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหล่อปีไม่ดีหรือว่าสุขให้สุขก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วโยมกลับมารู้สึกว่าคือถ้ายโยองไม่ปฏิบัติในรูปแบบให้ให้มากเหมืมื่ก่อนเนี่ยโยมรู้สึกโยมเบาสบายีโยมก็สามรารถรู้สึกตัวได้ เหมือนโยมนั่งอยู่แล้วโยมก็มองตัวเองนั่งอยู่กับพิจาแล้วก็รู้ว่าเขาพิจารณาอยู่เรารู้สึกว่าแค่นี้มันก็่เหมือนมันก็พอแล้วนะคือหจุดที่โรมหายใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีหายใจเข้าหายใจออกเบาๆแล้วก็จบก็โยมรู้สึกว่าไอ้บางทีมันหลอกเราหรือเปล่าว่าไม่ต้องปฏิบัติเข้มข้นหรอกมือนต้องดูว่าพอพอเจอลลกระทบแรง เจอเรื่องแรงแรงขึ้นมาเนี่ยมันเราเรายังแบบรักษาใจให้เป็นปกติได้หรือเปล่าก็มันก็ได้รอางไม่ได้บ้างแต่เราก็เห็นเหมือนเหมือนเหมือนเรามีอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยบางทีโกรธโกรธโกดธอดเราก็โกรธก็โกรธตายไรอย่างเงี้ยจาเป็นว่าว่าไปแล้วมันก็จกแต่ก็ในโปรดอยู่ก็รู้ก็เห็นว่ามันโดอยู่ก็แล้วกท่านมาโกดก็ดูมันไป <emás S 2> แต่ว่าเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มืวลาโกวดเราต้องว่าถูกไหมคะเราต้องว่าก็เราต้องทํางานอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เราว่าไปแล้วมันจบแต่เราก็ยังเห็นว่าความโกรธ้มันยังมีอยู่แต่เราก็ไม่ได้สนใจมันก็ปล่อยมันไปแต่ก็ก็ยังมีอยู่อ่ะคะก็มันยังมีเสียงเสียงเสีนงความคิดอยู่อยู่ที่ที่เสียงว่าว่าผนที่ทำให้เราโกรธนั้มันยังอยู่แต่ว่า ก็ไม so ่ได้ว่าไปก็เราวาเลยแล้วข้อหน้าที่เราตุดเราต้องว่าดเขาแต่เม<ผ>ื่อเราว่าดแลมันตกแต่สีนะมันไม่ตกเราก็ก็ท่างกันแล้วก็แล้วก็มันก็บานลงไปค่ะคุณมาท่าวันหนึ่งอ่ะมันก็ไม่มีเสียงหน้าแล้วออใช่อยู่แต่แต่ถ้าเราภาวนามากขึ้นมันก็เสกเสียมที่มันอยู่มันก็จะอยู่อยู่ตั้งงงหรือว่า อารมที่มันกลนก็จะลดลงเหมือนกันอันนี้คือเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเราอัพเกรดนะเหมือนเราถือว่าเหมือนเหมันเราเรียนสูงขึ้นอะบางทีเช่นเราจะปัญญาตีนะเราก็เก่งมาดับนี้อันนี้เราเอาแบบพรมยกโลกเนาะแต่ถ้าเรเจอข้อสอบหรือเจออะไรที่มันยากระดับปัญญาเองเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเหมือนที่เราจะแต่ การภาวนามันก็มีตัวที่ละเอียดขึ้นตรงนี้นะถ้าเราทำนานเรื่อยๆเขาก็ไปก่อนเราเคยได้ระดับเนี้ยแต่ต่อมามันยังมีระดับที่ละเอียดขึ้นที่เรายังไม่ถึงมันก็ต้องมาใส่การพัฒนาเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเหมือนตัวเด็กเนาะบอกว่าพ่อคูดพูดได้แล้วนี่ใช่ไหมพอแล้วแต่จริงพอทันต์ตาสูงขึ้นมันก็ต้องมี สมการมีแคปซูลอะยอะขึ้นมันก็ต้องเรียนมากขึ้นนจิตใจเราเองก็เหมือนกันบางทีอารมณ์ที่เรารู้ทันเราก็รับมันได้ล่ะแต่อีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ทันหรือว่าบางอย่างมันละเอียดมากบางทีเราเองคิดว่าเป็นตัวดีแต่พอดูไปเรื่อยๆมันยังแฝงมันยังแฝงการยึดติดมันแฝงทิฏฐิบางอย่างในติตของเราซึ่งเราภาวนาไปตรงนั้นหละบางทีกิเลสมันก็แบบว่า แค่นี้ก็พอแล้วหรือว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเออแค่นี้ก็เหมือนพออยู่ได้แล้วแต่กีพูดเจ้าพเจ้านะท่านท่านใช้ใช้เรียกบุคคลว่าเสชาบุคคลขับอสษัาบุคคลอสิชาก็คือว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยูงต้องฝึกฝนอยู่ก็คือตั้งแต่พันาคามีลงมาเรื่อยๆอสิชาบุคคลมี เฉพาะเดียวคือพระลหันตอนนั้นเพรนั้นคนที่ยังไม่ถึงขั้นพาาระลหันนี้ก็ยังต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยอยู่แต่แต่เรากําลังเกิดเกิดความขัดแย้งในหัวใจของเราค่ะว่เาเออคือเราเราเราปฏิบัติเราชอบสมัยก่อนนะคะเราชอบปฏิบัติเข้ม้นมากเลยอะไอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติทุกวันอะไรประมาณนี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่กล้ ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้มขนาด น, นั้นอะไรประมาณนี้างนี้ค่ะเราก็าจะหย่อนอไปเรหรือเปล่าเนี่ยมันโยงย่อโยงหยบไปหมอย่างนี้ก็แต่ถ้ามันต้องดูเคนเคร่งแล้วก็เครียดก็ไม่ถูกแต่บางคนหย่อนแล้วก็ขี้เกียจก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่จริงมันอยู่ระหว่างกันไม่ไม่เคร่งกับไม่ไม่หย่อนอ่ะมัน มันแต่มันก็ไม่ให้อยู่ที่ที่รูปแบบไม่ใช่อยู่ที่เวลาที่เราให้ในการปฏิบัตเรื่อยๆบางทีพวกนี้มันบางคนอ่ะอย่างเราสังเกตหลวงพ่อเทียนเราจะเห็นท่านนั่งยกมือในแต่ละวันเนียไม่มากนะเราจะเห็นท่านเดินจะกรมกลับไปกลับมาแต่ันไม่มากแต่ท่านก็มีสติในการในทําสิ่งต่างๆแต่อาจจะต่างจากหลงพ่อเทียนหพ่อเทียนถ้าไปเคยทันท่านเราต้องไม่ทันนะแต่ เหมือนฟังคนอย่างพูดถ้านก็จะมีค่อยทอยําปตืท่านก็จะแค่เดินจมกรมนั่งยุบมือซึ่งมันมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ารูปแบบที่แต่ละคนทําเป็นแบบไหนแต่มันอยู่ที่คุณภาพที่เราทำรํำแหละเราทํางานแล้วเราก็มีสติการทํา ง, งานได้เราก็ต้องรู้ตัวเองแต่ถ้าเราตอนนี้ทํางานแล้วฟุ้งซ่านมากเออแสว่าเออสติเร า, าไม่พอเนาะใช่ไหมหรือบางทีเราทําในรูปแบบพอทํานานๆแล้วเครียด อันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าทำนานๆแล้วเออก็อทำได้เรื่อยๆไม่เครียดก็ก็ดีเหมือนกันคือควาจิตต้องดูว่าคือมก็อยากจะไปหารูปแบบภายนอกแต่ให้ประเมินสภาวะอารมณ์ในจิตใจของเราหละถ้าทำแล้วมันรู้ตัวอยู่ทำแล้วมันก็รู้ทันกิเลสที่มันแทรกเข้ามาอยู่อันนี้ก็ถูกะแต่ถ้าเ่ยเราขอตังไหนเราย้อน ไม่ค่อยไดในรูปแบบแล้วสติมันอ่อนนะพออารมณ์มันพกก็หมุดจิตง่ายหรือว่าเผล อ, อเผลอไป น, นานในแบบนี้เับก็เป็นการเตือนเราว่าเอเราย้อนไปไหน่อยแต้องมาถถตั้งสติแต่พอบางทีทํานานๆมันเคร่งเครียดเกินไปมันมันจิตมันชื้นๆบางทีก็มีนะทําในรูปแบบมา่งบางทีจิตมก็ชื้นๆเหมือน เหมือนไม่ไม่ค่อยสนใจเพื่อนอย่างเงี้ยเ อ, อาจจะต้องหย่อนม า, มาเจออารมณ์กระทบบ้างและประเมินปัจจัในอารมณ์ของเราเองอเข้าใจภาษของคุณค่ะที่ที่ัที่าบเข้าใจถูกก่อนนะคะไม่เิดที่ที่ฟางรูไม่ทราเข้าใจถูกก่อนอะะหมายความว่า จริงๆนวเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบแต่ถ้าเราจริงจังคือเหมือนกับสมอ ง, งเสมอจริดีมันก็ผลมันก็อาจจะจะดีก็ได้ใชครับก็จริงจังแต่แบบหมายถึงว่าเราพยายามคือให้ให้สมองเสมอ้าให้มีสติพยายา ม, างงามนะทำยาก คือที่จริงถ้าคนที่ตัง้งใจพูดจริงๆแม้ทางนอกรูปแบบมันก็จะมีอย่างหนึง่งมันมีความสำรวมสำรวมคือการพูดคุยก็จะน้อยลงแต่ถ้าจาเป็นต้องพูดก็พูดนะแต่คือมันจะสำรวมคือเขาจะแต่ไม่ใช่เครื่อนะเขาจะรู้ว่าเราถ้าพูดมากขาดสติอะไรนะก็ เขาก็จะสํารวมปิเดียท่าทางหรือว่าทําการทํา ง, งานก็จะแบบไม่รีบร้อนให้มันเสร็จนนะแต่ก็ไม่ใช่แบบจมบางทีจมดิ่งกับงานแล้วก็ไม่สนใจเรื่องอื่นก็ไม่ใช่นะอืมก็ถ้าเราทํางานทําการสังเกตหรุได้บางคนเออถ้าเขาตั้งใจเขามีสติดีแล้วก็จเห็นเลยว่าเออเขาจะมีความสํารวมหรือไม่แตะสายตา จะสบรวมลงไปด้วยนะอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าพอพอเราทํางานเสร็จเรามาภาวนาต่อจิตมันก็จะเหมือนท้ายต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเหมือนเรือเทียบผท่าลงเรือแล้วก็ขึ้นบอกได้ทันทีมันก็ต่อเนื่องไป เ, เลยอันนี้ก็ต้องการสํารวมระวังช่วยด้วยแล้วก็แต่มายังไงก็เราไม่ควรคทิ้งในรูปแบบวันวันหนึ่งก็ควรที่จะ ต้องทําในรูปแบบถ้าเรายังไม่ถึงขั้นแบบหลวงพ่อคำเขียนถ้าไม่ต้องทําก็ได้แต่พวกเราเองอย่างน้อยตอนเช้าตอนเย็นนะก็ปวรทำหาเวลาแบ่งทําเพราะที่เราจัดสรรได้10นาที20นาทีขรึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่เราหมายว่าตัวงนี้ยให้มันมีวินัยอ่าวินัยทําเป็นประจาตอนเช้าตอนเย็นที่เหลือนะก็ต้องทํำในรูปแบบละ พยายามตามรู้นอกรูปแบบอ่ะไม่ใช่ว่าจะบางกีไม่ไม่ใช่ว่า ม, ม, ม, มาบอกว่าไม่ทำในรูปแบบนะแต่ควรทำแบบมีวินันยนะอ่าแล้วก็แต่นอกรูปแบบก็ต้องสารวมระวังช่วยอ่าแล้วก็มีสติเข้ามาช่วย แล้วก็เข้าไปเซเว่นเดินไปเซเว่นเนี่ยสติว่มีเรื่องไม่รูงมตลกครับแต่คือผมไปเจอคนตักแปกบ ใช่ไม่เป็นแบบนี้ไหมคือผมก็เขาสารอะไรอย่างเดียวคือเขาทําออกมาไงแต่ผมได้ทําในใจผมว่าไอ้ใข่สเต็กไม่ดีนะเนี่ยใช่ผมก็เลยถูกันะครับสซ่บถูกแล้วมันจะมีแบบว่าเวลาเดินตรงๆหรือว่าถูกมือแซ่บถูกหวาเนี่ยมันจะมีแบบอากลมิสกวะโตไม่ได้ดีใจนะ นิดๆแล้วหลงไปขาดีเลยมันจะยิดนีดแล้ว่างไปนีไนี้ไม่ถือว่าผิดนะไม่ผิดดีแล้วคือมันจะไอ้ตะกี้ก็งได้ขนาดนี้เลยนะในตัวมันรู้ตัวไหมมันก็มันก็ยิ้มย่อหน้านิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่อารมณ์แบบดีใจอะไรก็แบบนั้นแหละใครลองถ้าดูตัวเองในดีเป็นแบบนั้นไหมแ้บคิดประดดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหม อืนั่นเป็นธรรมดามากแต่เพียงว่าพอคนที่เขาเขาว่าก็คือเขาควบคุมทางกิริยาไม่ได้ทางคาพูดไม่ได้มันก็แต่เพียงว่าเราก็แค่ควบคุมให้มันอยู่แค่ในใจได้แต่ถ้าจะดีขึ้นอีกอย่างก็คือว่าพิมพเด็กเรากับความคิดเป็นคนส่วนต่างให้เห็นเดียวนนะี่แต่ก่อนบางทีเราแค่เราคุมมันให้มันไม่ออก มือนเป็นการกดไว้หรือว่าเหมือนประคองให้มันไม่ออกนะแต่อารมณ์ยังมีอยู่เช่นงงโกรอยอยู่อยากจะพูดตัวนัะแต่แค่เหมือนห้ามไวแต่ถ้าสติจริงๆถ้าตอนเจอเห็นมันจะเห็นเหมือนมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตแต่ตัวจิตจริงๆมันไม่ใช่ตัวนั้นมันจะเห็นเหมือนเป็นเพียงแค่อาการอย่างนึงซึ่งพอเห็นปุ๊บสติเห็นปั๊บหายไปทันทีกระจายไปเรื่อยเี่อย ถ้าสติเราคมมั่นมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเห็นแต่แบว่ามันเปลี่ยนอไรเปลี่ยนมามันจะบาที่บอกมันจะยิ้มย้อนเราเองแต่บางที่จะติมโหมดแล้วไม่อยู่ตอนนี้มาคิดเรื่องผัไทยอะอะไรอย่างเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้อ่าก็ก็ก็ไม่ได้ผิดมันก็เป็น่างนั้นจ้ะแต่ี่มาอธิบายเสริมว่ามันมันจะมีอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่มัน มันเห็นเหมือนอมันมันมันไม่ได้มามมันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วค่อขออกมาแต่มันคือเห็นว่ามันก็เป็นคนตรวจกับกบจิตที่แท้จริงของเราแต่ที่ทำมาก็เครียรนะก็ตูวแล้วมีอะไรนะอันนี้นคุณ เอกผมต้องควรเป็นเวลาแล้วครับก็เองนโอกาสรี่ยจะเป็นวันโกลบอลเกิดของอาจารย์คาพลนะครับก็อยากจะชวนุกตัวร่วมกลของปิดขอใจแล้วก็ร่วมจบการขงใจไปให้อาจารย์คำพด้วยให้แกสุภาพราันได้ ่าแ่ทำให้พวกเราได้ไปไหนานเราจะให้มนมอาจารย์ช่วยนำนำนำพวเรารวมสบกันลังใจด้ให้นมอาจารย์ท า, ทาคนด้วยนะครับใเจ็นนั่งสมาธิหรือใจจะนั่งเจอสติไปได้ไรมทำใจให้ อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นแฟนที่ถึงหมอแต่ท่านก็ผมรู้จักแฟนกำพลหรืนนนะอบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะท่านก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกวันนี้นแหละนะแถมยังมีอวัยวะที่ที่บอกต้องกับเราก็คือว่าเป็นดำดำดำน้ำมาพาดสาสหกปีแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าอุปสรรคทางด้านร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะให้ท่านเข้าใจธรรมะเลยท่านสามารถใช้ร่างกายที่พิการแต่อาศัยร่างกายที่พิการนั่แหละเป็นการเรียนรู้ธรรมะจะ น, นั่นเข้าใจธรรมะความทุกข์ลดน้อยลงไปจะจิตใจได้ ท่านสามารถรู้สึกว่าลาออกจากความพิการได้เห็นความพิการเป็นเรื่องของกายใจไม่ได้พิการด้วยเห็นความทุกข์เป็นเรื่องของกายใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะจะเรียกว่าท่านเป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้กับหลายๆท่านที่ได้เห็นเพราะว่าใครที่ได้เห็นอาจารย์เนี่ย ร่างกายพิการตอนนี้ก็เป็นมะเร็งที่ตัดเป็นระยะท้ทายแล้วแต่หน้าตายัางยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยได้เป็นปกติเห็นเลยว่าร่างกายที่ทั้ง จิตใจที่เบิกบานตื่นรู้มีกติมีปัญญายิ้มแย้มแจ่มใสใครไปใครมาก็ยังเป็นปกติเช่นอาจารย์ของคนคนเดิมแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ท่านเมียอายุ60ปีที่อาคารทรรดีทุ่งโลนคุณเองนันก็เป็นจัภาพรรดบในการที่ สางศาลาจงเล่งเพียนที่อาเภอปากช่องนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นเป็นวัสดุเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เป็นการบูชาธรรมนะให้กับอาจารย์กําั้ของบุญ น, นุ่มนะพวกเราส่วนหนึ่งก็คงช่วยสนทบทนะีในการสาร้างศาลาจงเล่งเพียน แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถช่วยได้นะก็น้อมจิตน้อมใจของเรานะส่งความปัฒนาดนะีหรือว่าแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำนะจากการทำทานก็ดีจากการรักษาศีลก็ดี คนทีก่กจารยนกับคนว่าเป็นทุตโตแมนของผมเป็นอีโร่หรือราษามพวกเราเรียกว่าเป็นไอดอลเป็นตัวอยา่างเป็นแรงบันดาลใจคนบนโลกนี้เนาะมีที่ที่เรียนเก่งที่นั่งรวยที่หล่อที่สวย มียัดมากแต่จะหาคนที่มีธรรมะจะหาคนที่จิตสดใสแม้ร่างกายตละพิการเนี่ยหายากยิ่งกว่ามงมเข็มในมหาสมุทรอีกพวกเราหลายท่านที่เคยได้เจอกันคนก็คนจะพบว่าเป็นพวกเรามีวาสนาที่ดีที่ได้เป็นพบ เป็นสวนธนาธรรมกับอาจารย์เราได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งแม้ไม่ได้ทรงผม อัน น, นี้นีค่คือฟังจะทานคนก็นดีๆฟัง <c oughs> นะค็พูดดีพูดง่ายก็เจ <c oughs> ๋งเลย